ในภาษิตที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั้นท่านพูดถึงเรื่องความจนกรอกเป็นมุมของคนวิ่งหาที่ขึ้นแบบรัศมีสายไม่เป็นท่าไม่เป็นสาระเพราะภายคูกคู่คำแล้วก็วิ่งไปอย่างนั้นเอง ตามภาสิที่ว่านีท่านบพระหุ้งเวสรนังยันติประบบตาเนวนานิจักอารามรุพเะเตยานิมนุษาพ์พระยตัชิกาเ <c oughs> นตังโคสรนังเขมมังเนตังสรนัมุตตมังเนตังสรนมัมะระมะสะบรุข้าปะมุตตะติมนุษย์เมื่อถูกภัยผู้คามแล้วยอม บ, บิงหาที่พึ่งต่างๆตาม ที่ตนจะเห็นว่าปลอดภัยวิ่งไปพึ่งต้นไม้ภูเขาบ้างแรงอาการวงสวงเห็นสวงไหวบอนอะไรต่างๆ น, นานาพ้นจากทุกจากภัยเข้าในอารามร้างบ้างเป็วนวัดร้างอารามมุกอภะเจตยาน้ไป ตามเจดีร่างมากลว่าเป็นที่พึ่งของใจที่ว่าเนกังโคสนงคังเขมงนั้นสนะนั้นไม่กเกษมสนะนั้นไม่เป็นไปเพราะความทุกข์ไม่เป็นไปเพราะความปลอดภัยใครจะถึงจากเพียงไรก็ตามก็เป็นโมคะทั้งนั้นนี่ตาม บาลีที่แกออกมาเป็นอย่างนี้โยจะบุทธันจะท ร, รมันจะสร้างขันจะเสิรร่นมังกตูผู้ใดถึงซึ่งพระพุทธทเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ว่าเป็นชนะจะตารอริีสัจจานิสมัตปัญญาจะปรับสติ ดุขังลุขสมุปปังลุขสัจจะปิกมังเรียมจะทั้งยีกังมักังดุขู้ภะสมังกามินะผู้ใดรู้แจ้งหรือปฏิบัติตนจนถึงความรู้แจ้งซึ่งสัจธรรมทั้งสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมากยางก็จักใจผู้นั้นย่อมถึงความพ้นทุกข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 เราจึงอยู่ในค่ายแห่งความพูกคาเหนอ น, นี้ด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นทำอย่างไรเราจึงจะได้หลักสาระนะอันถูกต้องแน่นยัเป็นที่พึงพอใจในการยึดไม่เสียผลเสียประโย ท่านเป็สอนไว้ให้รู้เรื่องพุทธังทำมังสังขังพุทธังจะทำมังจะสังขังจะเทนังกระตุนี่ให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็ธประพฤติปฏิบั ต, รตริตนตามหลักปฏิปทาที่ท่านทงสั่งสอนไว้ให้รู้เรื่องของความทุกข์ที่มีอยู่ในสัตว์โลกทุกธาตุทุกขันทุกสกลากายไม่ว่าหญิงว่าชายสัตว์ บุคคลเหมือนกันหมดมีเรื่องของทุกข์ที่เป็นสิ่งน่ากลัวแต่ก็เป็นสิ่งที่ติดแนบอยู่ในกายในใจของสัยโล ก, กทั่วไปเราจะหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงหรือทำให้หลุดพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดหา่าเป็นสอนลงไปว่าน้ำยอกให้น้ำบก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 เช่นใจคิดเรื่องใดที่คิดขึ้นมาแล้วมากน้อยเกิดความเดือดร้อนคุณเคืองหรือจิตใจเป็นทุกข์เพราะความคิดนั้นนั้นให้พึงพยายามละเว้นความคิดนั้นอย่าได้คิดซ้ำคิดซากผลจะตามมาทำซ้ำซากๆคือเป็นทุกข์แล้วทุกข์เล่าเป็นหลายครั้งหลาผลาก็เป็นทุกข์มากขึ้นไปเอง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 คิดค้นโดยปัญญาเพื่อจะคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ออกได้ให้เห็นตามความจริงของมันแน้วการที่จะค้นสมุติฐานของทุกของเหตุให้เกิดทุกนี้ก็ไม่นอกเหนือไปจากสติปัญญาซึ่งเรียกว่ามะที่อยู่ในสัจ ธ, ธรรมอันเดียวกันธรรมนิโรธคือความดับทุกข์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 เวลาเวลาที่ผ่านไปก็ผ่านตามเวลาของเขาตามการของเขาโดยเขาก็ไม่มีความหมายในตัวของเขาเลยผู้ที่มีความหมายในตัวนี่แหละที่คาดที่หมายเรื่องนั้นเรื่องนี้นำทุกเข้ามาใส่ตัวเองได้เจ็บใจนอกจากใจออกมาก็คือร่างกายของเรา หีโยนเข้ามาแล้วก็มีแต่ร่างกายของแต่ละรายละลายแห่งสัตว์โลกทั้งมนุษย์และสัตว์นี่เท่านั้นเป็นกล่องทุกเป็นผู้รับทราบทุกเป็นผู้รับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากน้อยนากระทบกระเทือนภายในร่างกายจิตใจของเราศาสนาท่านจึงสอนลงที่จุดสําคัญนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดที่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 หลักคำต่างสอนที่พระองค์ท่านตั้งสอนไว้ทุกก็ไม่พ้นจากเราแต่ว่าทุกเราเท่าภูเขาหนูใหญ่กว่าภูเขามันก็ว่าได้เพราะมันเป็นอยู่เต็มตัวของเราภูเขาทั้งลูกเคยนด้เห็นภูเขาลูกไหนแล้ววิ่งเขง้าโรงพยาบาลมีไหมแล้วมีหมอคนไหนไปรักษายายาภูเขาทั้งลูกว่ามันเจ็บมันไข่มีไหม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 หมายปลายทางไม่ได้เกิดมาชาติใดพบใดจะเจอตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะความไข่หนักหรือป่วยหนักของใจด้วยพิเลต อ, อาสะวะเป็นเครื่องเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาผลคือความทุกข์บีบคั้นจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอทุกภ ก, ท, กทุกชาติไม่ว่าพบใดชาติใดถ้าไม่พยายามแก้ไขในจุดนี้ให้ดีเท่าที่ควรแล้ว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 ไม่สนใจกับหมอไม่สนใจกับอยู่กับยาคนไข้คนนั้นก็มีทางที่จะกำเริดเรื่อยๆหาทางดีไม่มีหาโรคหาทางหาโรคไม่มีคนไข้มีความสนใจต่ออยู่ต่อยาต่อหมออยู่แล้วก็มีทางจะเป็นไปได้นี่เราเป็นประเภทคนไข้ที่สนใจต่อธรรมโอสถอยู่แล้วก็เป็นที่หน้าอนุโมทนาและพยายามบำเพ็ญตนด้วยอัดด้วยธรรมเชื่อ เ, เป็นการรักษาตน ด้วยธรรมโอสถพุทธังธรรมังสังฆังสังนนังกชามินี่เป็นหลักสำคัญของใจให้ได้ยึดเรียกว่าเป็นธรรมโอสถแทรกซึมอยู่ภายในจิตใ จ, จเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใ จ, จให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขคิดไปไหนก็คิดเกื่อวความทุกข์ความลำบากนี้เป็นไปทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าประเทศใดชาติชั้นวรรณะใด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 ใจเราจะค่อยสางค่อยซาจากพิเลตอาชาวะไปโดยลำดับแล้วจะมีความร่มเย็นมีหลักการแสวงหาที่ผึ่งที่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมได้แก่การแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจใจมีความต้องการความสุขความสบายอยู่ตลอดเวลา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 ที่จะเป็นเครื่องดับไฟส่วนธรรมะเป็นเครื่องดับไฟธรรมะกิเลสนั่นแหลคือเชื้อไฟอันสำคัญสแสดงเป็นไฟขึ้นมาคือความรุ่มร้อนจะแสดงมาจากไหนถ้าไม่แสดงออกมาจากกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออันสาคัญแล้วกิเลสทุกประเภทจะดับลงได้ด้วยน้าคืออัดคือทำคือความดีทั้งหลายอย่างอื่นดับไม่ได้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 เรียกว่าเป็นสัตว์พิเศษจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารไม่เหมือนมนุษย์นี้เลยมีเรียกว่าเราได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายแล้วเราจะให้เสียเปรียบสัตว์ทั้งหลายในตอนที่ว่ามนุษย์สูงด้วยความฉลาดแต่ต่าด้วยการประพฤติก็ะโกลทุกมาเผารวมตนเองนี่ไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์ใดอันใดที่ดีงามอันใดที่เป็นความสุข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 พูดกันก็องเวสนาญันติการสอดแสวงหาที่พึ่งที่หลบภัยให้เป็นที่ปลอดภัยนั้นสแสวงหาต่างๆกันโดยความรู้สึกผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่วนมากก็เป็นไปาทางที่ผิดท่านจึงได้แนะไว้ทั้งสองทางคือทางหนึ่งก็เป็นสแสดงในทางที่ผิดทางที่สองในทางเป็นความถูก ต้องของคนผู้มีหลักเกณฑ์ได้แก่พุทธันจะทำมันจะสร้างขันจะแรงกระตแล้วก็แสดงทุกเรื่องอริยสัจจะทําทั้งสี่ตัวนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันดีมาชุ่งเย็นสุดท้ายก็เป็นผู้ถึงที่อันกเกษมถ้ารู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่โดยรอบภ า, ายจในจิตใจเป็นผู้บริสุทธิ์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 ไม่มีใครจะยกตนไปกดขี่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นอกจากคนประเภทที่เลยสั์ลงไปแล้วเท่า น, นั้นถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นหากคนที่ระลึกดีชั่วได้อยู่แล้วไม่มีใครกล้าทำถ้าเป็นประเภทอาจารย์เทวทัตนั้นเป็นไปได้เทวทัตก็เป็นขนาดที่คอยทำนายพระพระุทธเจ้าแต่สุดท้ายพระเทวทัตก็หึนโทษ ผู้ไม่ยอมเห็นโทษนั่นก็เป็นขนาดอาจารย์มุตเถรทัศน์นั่นอาจจะเป็นไปได้ในการตําหนิติเลียนนึกรลบล้างศาสนาคือศาสนาธรรมพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ลบล้างบุมลบล้างบาปให้สูญไปจากโลกไม่ให้มีด้วยความทําคัญหรือด้วยกิเลดของตนคําว่ากิเลสมันมีภายในใจแล้วเราจะไปลบล้างอะไรให้มันสูญหายก็ตามถ้าไม่ลบล้างกิเลสตัวมันจากให้บุญให้บาปสิ้หายไปนั้น หมดประจิตใจผู้นั้นแล้วผู้ที่จะหาประกอบทุกข์ทั้งทั้งที่ลบล้างทุกขนะ์เน่ะก็คือใจดวงนั้นแล้วย้นเข้ามาในหัวใจของเราพยายามลบล้างทุกข์ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นตนเองความสุขความสบายเราไม่ต้องไปถามที่ไหนแหละทุกข์มีอยู่ที่ใดความมุ่นวานมีคือใดแก้จุดนั้นได้แล้วความสุขความสบายความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาเอง เท่าสิจิตหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็คือความวุ่นวายท่านแหล่เป็นเครื่องก่อขวงเป็นเครื่องทําลายความสงบสุขของใจจึงหาทางเกิดหาทางเป็นมาเป็นขึ้นไม่ได้ก็มีเท่านั้นอันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องการเจาะเสวีหาที่พึ่งท่านทั้งหลายฟัง ทั้งทางที่ถูกทั้งทางที่ถูดให้เลือกเฟ้นเอานำมาประพฤติปฏิบัติสอบเสีสาหาที่พึงของตนภายในจิตใจอะไรที่พึงอันเหมาะสมอะไรที่พึงอันเกษมแล้วจะมีความเกษมอยู่ภายในจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดจึงขอทิฏติทงเพียงเท่านี้